เป็นพิเศษไม่น้อยเหมือนกันถ้าเราเทียบกับโลกตัวทั่วไปในแดนโล ก, กธาตุนี้เพราะพระพุทธศาสนานี้เท่า น, านั้นที่ทำโลกให้เย็นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสุดความร่มเย็น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 ขั้นนั้นๆจนถึงขั้นสูงสุดที่เรียกว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่หมายถึงถ้าเราหมายถึงความสงบอันลาบขาบก็ได้แก่ความสิ้นเครื่องวุ่นวายภายในจิตใจแม่น้อยไม่มีเหลืออยู่เลยนั่นแหละแต่ในขณะเดียวกันการก้าวเดินนี่เป็นของสาคัญมาก เพราะทางที่ก้าวเดินนั้นแม้จะมีทางอยู่พอเป็นรูปเป็นร่างหรือเป็นถนนนทา ง, อ ย, างอย่างเดินโล่งก็ตา่างผู้ก้าวเดินมักจะทะเอถลไหลเสมอยิ่งเป็นทางพอเป็นรูปเป็นร่างนี้ด้วยแล้วก็คอยแต่จะก้าวออกนอกรูนอกทางเหยียบขากเหยียบหนาม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 แต่ผู้ปฏิบัติที่จะก้าเดินไปตามแถวทางที่ท่านสอนไว้ตามที่ได้ศึกษาเรียนมานั้นมีน้อยมากหากหยยบย่ำความถูกต้องดีงามนั่นแหละไปโดย ดื้อด้านบ้างดื้อด้วยเจตนาบ้างด้วยความไม่เอาไหนบ้างด้วยความเพอเล่ยต่างๆบ้างมันมีแต่สิ่งที่จะให้ขาดทุนศูนย์ดอกไปอยู่เรื่อยๆของผู้ปฏิบัติเราจึงลำบากแม้มีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่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 จึงลำบากต่อการปฏิบัติถ้าไม่ตั้งใจจริงๆต้องเป็นมีท่าต่อสู้อยู่เสมอสำหรับผู้ที่จะก้าวให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวด้วยแล้วต้องเป็นผู้ตั้งท่าตั้งทางอยู่ทุกเอียบทและทุกอาการเคลื่อนไหวของใจนั่นแหละจะพอกันแก่ชินนั้นในขั้นเริ่มแรก ก็ยังต้องมีเสียเล่เสียเหลี่ยมให้มันจนได้ยกไว้ในขั้นเบี่ยงไกลของสติปัญญานั้นเสียในขั้นเริ่มแรกจะเป็นอย่างนี้ด้วยกันพวกเรามาปฏิบัติศาสนาธรรมนี้ก็เท่ากับมากัานกรองน้ำอัดน้ำรมไว้สำหรับบริโภคขรบฉัน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 ยังตาเรามองเห็นก็เป็นไม่สบายแล้วอย่าพูดถึงการได้ดื่มได้อาบหรือกบฉันนั่นเลย <c oughs> ไปที่ไหนก็มีตั้งแต่ น, น้ำสกปรกโสมหมมิดรเต็มโลกดินแดนแล้วเป็นอย่างไรบ้างผิดกันกับน้ำที่สะอาดที่ไปเจอที่ไหนมีแต่น้ำสะอาดอยู่มากทีเดียวนะ ในจิตใจของเราก็เหมือนกันต่างดวงต่างเป็นเหมือนกับน้ําบึงน้ําบอ่อตัวของไม่สามารถที่จะรักษาน้านั้นไว้ได้นอกจากทําลายน้ําที่มีอยู่แล้วนั้นให้ผุ่เป็นตมเป็นโคลนไปเสียโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้วันหนึ่งจิตมีแต่ความขุ่นมัวมั่วสมอยู่กับอารมณ์อันหาสาระไม่ได้ นี่เป็นการทำลายน้ำที่ควรจะใสให้เป็นน้ำพุ่นเป็นตมเป็นโขนไปเสียกิ ต, ตแต่ละดวงละดวงจึงหาความสุขความสบายไม่ได้เพราะกิตหาความสงบไม่ได้จิตเมื่อสงบก็ย่อมจะมีความปรองใสความสุขความสบายความเยือกเย็นก็ย่อมจะมีขึ้นมาเป็นลำดับให้เจ้าของได้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 ทุกมากทุกน้อยแต่เมื่อนำมาเทียบกับภาคปฏิบัติในการต่อสู้กับกิเลสหรือการประกอบความเพียรเพื่อต่อสู้กับกิเลสนี้แล้วไกลกันลิบลับประหนึ่งว่าเป็นคนนรกนั่นเลยนั่นฟังสิับตั้งแต่วัน9ออกปฏิบัติ ไม่ปรากฏว่าจะมีความสุขความสบายเพราะการปล่อยใจให้อยู่สบายสบายโดยไม่มีอะไรเข้ามายุ่ยแยงแข่งดีกันเลยแต่มีตั้งแต่สิ่งที่เป็นค่าสิบคอยเหยียบคอยย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะทำให้นอนใจไม่ได้นี่แหละอันเป็นสาเหตุที่จะให้หนัก แน่นในความเพียรโดยท่าต่อสู้ต่างๆนี่ก็เคยได้พูดว่าตั้งแต่วันหยุดเรียนหนังสือออกมาตั้งหน้าต่างตาเพื่อจะส่งพูดง่ายๆให้เต็มตามความรู้สึกที่มีอยู่เต็มหัวใจนั้นว่าให้ได้ครองทำชั้นยอดเยี่ยมได้แก่ อรหัตตธรรมมีความมุ่งหวังอย่างเต็มหัวใจมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นการประกอบความภาคเปลี่ยนจึงต้องหมุนไปตามตามกันนี่แหละเรื่องความลำบากทำให้เกิดความลำบากมากเป็นลำดับลำดาทุกแสนทุกขก็ต้องทนเมื่อผลพอปรากฏขึ้นจากความทุกขประเภทนั้นที่เรียกว่าความเปลี่ยนในท่านั้น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 ให้ดิดให้ดิ้นอยู่อย่างลึกลับภายในจิตใจแม้จะไม่แสดงออกมาในอวัยวะต่างๆก็ตามก็เป็นสิ่งลําคานและเป็นสิ่งจิตขวางจิตใจให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่นั่นแหละเมื่อได้อดลงไปดัดสันดานกันลงไปการประกอบความเพียรก็ค่อยสะดวกสติสตังก็ค่อยมีขึ้น สิ่งเหล่านี้ก็ไม่แสดงตัวรบกวนภายในจิตใจโดยเฉพาะเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องร่างกายเลยมันเป็นอยู่ภายใน จ, ใจิตใจให้ลำคาญอยู่นั่นแหละเมื่อได้ฝุกท ร, รมานกันอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ก็สงบยุบยอบลงไปบางครั้งปรนว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเงียบไปหมดเพราะอำนาจแห่งการทรมานขนาดหนักหนัก คือการอดตาหานนี่นะเป็นเครื่องช่วยสติก็ดีพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาก็คล่องตัวเมื่อผลเห็นอยู่คือสติก็ดีเพราะการอดตาหานปัญญาก็ดีเพราะการอดตาหานคล่องตัวจิตก็สงบเย็นไม่มีอะไรรบกวนใจแม้ร่างกายจะทุก แต่จิตใจเย็นสบายสงบเงียบนอกจากนั้นยังมีลักษณะที่ให้เกิดความกระยิมยิ้มย่องภายในตัวเองอยู่ลึกๆนะแล้วเมื่อผลเป็นเช่นนี้เราจะปล่อยตามอำเภอใจใกินสบายชันสบายนอนสบายได้อย่างไรเพราะสิ่งอันนี้มันเป็นภัยต่อความเพียรให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่แล้ว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 ในความสว่างสวัยของใจทั้งๆ ท, ที่ร่างกายจะ ก, ก้าวไม่ออกเดินจงกรมนี้ไม่ได้กี่ตลบแล้วจะ ก, ก้าวไม่ออกเหนื่อยเอามากมากายกองต้องได้ยืนต้องได้นั่งแต่จิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีแต่ความสว่างสวยัยเต็มอยู่ภายในหัวอกนี่พูดยังไงเป็นของอัศจรรย์อยู่ภายในนี่แหละ พาให้ตะเกียกตะกายพาให้อดพาให้ทนพาให้ต่อสู้เรื่องความทุกข์ทั้งหลายและไม่ใช่เป็นอยู่เพียงวันหนึ่งวันเดียวตั้งแต่วันคเก้าออกเพื่อการปฏิบัติมีแต่ความได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะการฟืน้นความต้องการของาธาตุของขันอยู่เรื่อยมาจน ถ, ถึงกับท้องก็เสียแต่ไม่เคยวิตกวิจารณ์ในเรื่องของิเหล่านี้นอกเหนือไปจาก จุดมุ่งหมายที่เราต้องการคือความพ้นทุก์เท่านั้นนั่นทั้งๆที่ทุนต้นทุนของเราไม่มีกี่บาทกีท่สตางค์ก็ตามแต่ความมุ่งเป็นมหาเศรษฐีนั่นล้นหัวใจนี่แหลยทําให้ความเพียรเป็นแบบอัศจรรย์จนกระทั่งที่ว่าลืมไม่ได้ถึงกับต้องได้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าเราเป็นเช่นนั้นในิสัยของเราบางครั้งถึงจะเป็นแต่ตายจริงๆแต่ก็ อันหนึ่งที่พอฟัดพอเหี่ยงพอเป็นเครื่องรละลึกอย่างฝังลึกที่สุดก็คือหัวใจดวงนั้นไม่ได้เป็นเหมือนอย่างร่างกายที่แสดงออกมาด้วยความอ่อนแ อ, ท, อแท้อแท้แต่เป็นความขึงขังตึงตังเป็นความสง่างามสว่างสวยเต็มหัวใจแล้วมีความหวังอยู่ภายในนั้นอีกด้วยว่า จะต้องก้าวจะต้องเดินจะต้องขยับขยายตัวให้มีกาลังมากถ้าพูดถึงเรื่องความสว่างยังจะสว่างมากกว่านี้พูดถึงเรื่องกาลังของใจยังจะมีกาลังมากกว่านี้พูดถึงความอาศัศจรรย์ยังจะอศัศจรรย์มากกว่านี้นั่นนี่แหละสิ่งที่พาให้ดึงดูดทำให้ลืมในเรื่องความทุกข์ความลาบากทั้งหลายในการอดหรือในการทนทั้ง ทรมานทางร่างกายและเป็นเลื่อยไปอยู่ตลอดจนกระทั่งถึงขั้นของสติปัญญาที่กล้าตัวออกทำงานอย่างเราไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเป็นก็กล้าออกแล้วกล้าออกแล้วเป็นไปแล้วไอ้เรื่องความภาพเปียนรเรื่องการอดก็ต้องอดไปอยู่อย่างนั้นเพื่อความรวดเร็วของสติปัญญา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 ยิ่งกว่าทำที่เราหวังอยู่นั่นอย่างเต็มหัวใจมีวันหนึ่งจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้นี่เรียกว่าความหวังหวังอย่างเต็มหัวใจความเพียรจึงหมุนไปตามความหวังอ น, นันต์ไม่มีอะไรที่คำว่าย่อหย่อนอ่อนกำลังมีแต่หมุนเรื่อยๆด้วยเป็นก็เป็นตายก็ตาย ไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นนอกจากความดุดพ้นจากทุกข์โดยแต่เดียวให้เห็นประจักษ์ภายในใจของตัวในวันใ ว, วันหนึ่งนี้เท่านั้นนั่นนี่ถึงเนี่เป็นความทุกข์ความลาบากมากในการประกอบความภาคเพียโจนกระทั่งเต็มสติกำลังความสามารถเอาพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าไม่สงสัยในการก้าวเดิน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 พระรหันท่านทั้งหลายมีหรือไม่มีาศาสนธรรมนี้เป็นธรรมที่ยอดที่สุดในสามแดนโดกกาถาบนี้ไม่มีอะไรเสมอก็เต็มหัวใจหาที่สงสัยไม่ได้เมื่อถึงท่านที่เต็มแล้วมันเต็มหมดเรื่องพบเรื่องชาติก็คือตัวของจิตตามร่องรอยเข้ามาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ตัวพยศ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 เกิดนี้ตายนั้นเกิดนั้นตายนี่ทีไ่ไหนที่จิตดวงนี้ไม่ได้ไปเกิดไม่ปรากฏว่ามีเกิดได้ทั้งนั้นไปได้ทั้งนั้นตายได้ทั้งนั้นในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นที่เกิดที่ตายของจิตดวงนี้จิตดวงเดียวนี้แหละเพราะนานแสนนานที่เคยเป็นมามากน้อยอย่างไรตามจนกระทั่งเข้าถึงตัวมีอะไรก็มีอันเดียวเท่านั้นท่วาอาวิชาปฏิยาสังคาลาเมื่อ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 หากเราจะนำความทุกข์ทั้งหลายในการฝึกทรมานหรือในการสังหารกิเลส ต, ต่อสู้กิเลสนี้มาเทียบมาเคียงกับการแนะนาสั่งสอนโลกทั่ ว, วไปไม่ว่าผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามแล้วเหมือนกับว่าเราจะสอนไม่ได้สอนไม่ลงลำบากลำบนไม่อยากจะยุ่งเลยประหนึ่งว่ามันสูดเอื้อมพูดถี่จะปฏิบัติตาม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 จึงทําให้เกี่ยวกับสมมุตินั่นนี้ยั่วยเยียไปหมดสามแต้โลกฐากนี้มีความเกี่ยวโยงกับจิดดวงเดียวนี้ทั้งนั้นพอตัดธรรมชาตินั้นออกแล้วอะไรมาเกี่ยวโยงอะไรมามาเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นไม่มีเลยจะว่าไงนั่นเห็นใหม่เรื่องมันพลิกตลบัดกันความรู้นั้นรู้นี้อะไรอะไร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 มันต้องอยากดูอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปหมดเพราะหัวใจนั้นเป็นตัวอยากเมื่อหัวใจนั้นเป็นตัวอยากมันก็ต้องกระจายออกมาตามทางที่มันจะออกทด้เป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้ววันไหนมีความอิ่มพอในความอยากนี้ไม่มีถ้าไม่มีทําห้ามล้อไม่มีทําเป็นเบรกห้ามเอาไว้แล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปคาว่าตลอดไปนั้นมี กี่กับกี่กันแล้วนับได้ไหมนับไม่ได้เลยเ้วเป็นมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นแหละอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้กับที่เป็นมาแล้วมันก็เท่ากันจะเป็นไปอีกข้างหน้านานเท่าไหร่ก็กำหนดไม่ได้ถ้าไม่แก้ธรรมชาตินี่ถอดถอนธรรมชาตินี้ออกให้หยุดกึกลงไปเสียเท่านั้นจะหมุนตัวตลอดเวลาความหมุนตัวนั้นหมุนธรรมดาความชั่วหมุนไป้วยความทุกข์ความลำบากความทรมานนี่ที่มันสาคัญมีถนันด จริงว่าดุขังนาถิอาชาตัดสับทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดยิดที่หมดเรื่องความเกี่ยวข้องที่เรียกว่าเกิดตายนั่นแล้วเอาอะไรไปยุ่งนะทุกจะมาจากไหนทุกก็มาจากสิ่งเกี่ยวข้องคือความเกิดในภพนั่นภพนี้นั่นแหละจะมีอะไรให้เกี่ยวข้องมีอันนี้เป็นสําคัญเมื่อแก้อันนี้ลงไปให้สิ้นสุดแล้วปัญหาก็หมดโดยประการทั้งปวง นัลลปพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นสาวกอราหารันท่านเป็นอย่างนั้นจิตของท่านเป็นอย่างนั้นรู้แบบเดียอกันหมดแต่ไม่รู้แบบไข่รู้แบบบิมูดรู้แบบความรู้สึกไม่ได้รู้แบบที่เคยเป็นหมาความรู้นั่นรู้นี่ที่เจือเป็นไปด้ยวยที่เด็ดเป็นมิตรเป็นสหายเป็นฆ่าศึกศัตรูอยู่ตลอดเวลานั้นท่านไม่มี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 อันนั้นจริงเอามาเทียบกับสิ่งใดไม่ได้เพราะฉะนั้นพระรหารท่านเป็นท่านตายในแบบใดก็ตามท่าใดก็ตามจึงไม่เป็นปัญหาเข้าไปกระทบกระเทือนกับธรรมชาตินั้นเลยนั mm ่น hmm. พีกันที่ตรงนั้นใครเป็นเข้าก็รู้เองไม่ต้องบอกใครเลยละ่ะเนี่ยจะเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนั้นล้า น, า น, านองค์ก็ตามไม่มีแม้รายเดียวที่จะมาสงสัยในเรื่องความเป็นเพราะธรรมชาตินั้นเหมาะสมทุกสิ่งทุกอย่างพอดิบพอดีแล้วสิ่งใดไม่พอดีรู้ทันที ธรรมชาตินั้นพอดิบพอดีทุกสิ่งทุกอย่างหาที่ต้องติดไม่ได้แล้วอันใดที่นอกเหนือไปจากนั้นแม้นิดนึงก็รู้ทันทีรู้ทัน ท, นทีว่าไม่ใช่อันนั้นแน่มันก็เป็นไปเองตกไปเองไม่ต้องบังคับไม่ต้องสลัดเป็นตกไปเองตกเองอย่างที่ท่านว่าอะไรในบาหลีก็ลืมเสียว่าอ่าแม้น้ำตกลงบนใบบัวย่อมกลิ้งตกไปโดยที่ว่าใบบัวก็ไม่ได้สลัด น้ำก็ไม่ตั้งใจจะซึมในใบบัวหากเป็นธรรมชาติที่กระทบกันแล้วตกไปตกไปนี่อารมณ์แห่งสมมุติทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นหลักธรรมชาติของจิตซึ่งเป็นเหมือนใบบัวก็เป็นเช่นนั้นเองเพราะฉะนั้นการความเจี่ยวการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นความทุกข์ขนาดไหนถึงลง้มถึงตายก็ตามจะไม่มีแง่ใดส่วนใดเลยที่จะไปเข้าไปกระทบกระเทือนใบบัวคือจิตที่บริสุทธิ์ทุกท่านให้มีความด่างพร้อยไปดังที่โลกสงสัยกันหรือสําคัญกันไม่มี เพราะนั่นเป็นอัธถนะัะเป็นเป็นอะไรอีกไม่ได้แล้วจะให้เป็นแบบสมมติทั้งหลายเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะไม่ใช่สมมติน่ะนี่พูดถึงเรื่องความเพียรเพื่อให้เป็นคติแก่หมู่เพื่อนทั้งหลายที่มาพุทธปฏิบัติอย่าเห็นแก่หลับแก่นอนแก่อยู่แก่กินแก่ความอยาก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 ปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้วันต่อไปก็เป็นอย่างนั้นวันไหนก็เป็นอย่างนั้นเดือนไหนก็เป็นอย่างนั้นจนกระทั่งวันตายก็เป็นอย่างนี้และพบใดก็เป็นอย่างนั้นไปอีกนั่นนี่แหละถ้าถ้าปล่อยให้เป็นไปตามมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่มีคําว่าหยุดจางว่างเปล่าไม่มีคําว่าสุขว่างอมแล้วยุติกันสตีไม่มีเรื่องการเกิดการตายไม่มีคําว่าสุขว่างอมไม่มีคําว่าล่าวาสายมีเกิดมีตายอยู่ตามหลักธรรมชาติ ของเชื้อที่พาให้เป็นนั่นแหละถ้าไม่ถอนออกจะให้สิ้นซากไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละถึงจะรู้ในวงปัจจุบันของตัวเองนี่เวลานี้ก็นักปฏิบัติของเรากําลังเหลือเหลวหลายๆนี่เขาก็เขียนหนังสือมาเหมือนกับบัตรสนเทศฆาเหล่านี้ก็เรื่องภาพปฏิบัติเรานั่นแหละเราไม่ได้ตําหนิเขาที่เขาเขียนมา เป็นสิ่งที่เขาควรจะปรึกษาปรารถหรือควรที่จะบอกจะกล่าวในเรื่องเหล่านี้ก็ฟังแล้วก็อย่างว่านั่นแหละปี น, นาเอามันเลวๆไหลาย ๆ, ๆเป็นอย่างนั้นไปเนี่ยสิ่งที่ใดไม่ควรให้เกิดมันเกิดทําให้เกิดสิ่งใดที่ควรให้เกิดไม่ยอมสนใจที่จะให้เกิดนี่สิมันจีดมันขวางสาระธรรมของพระเจ้าจะเป็นใครถ้าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติตเราเนี่ยท่านสอนว่าอย่างนั้นมันกลับเป็นอย่างนี้ไปเสีย มันชอบอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ไปเสียเราหาที่จะเป็นสาระแก่นสารไม่ได้เลยนี่แล้วเป็นไปเป็นไปต่อไปก็จะไม่มีอะไรเหลือแล้วนะผู้ปฏิบัติกับทางจงกรมก็จะไม่มีต่อไปจะไม่มีทางจงกรมไม่มีสถานที่ทางานสังหารกิเลสของพระปฏิบัติเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องสถานที่กิเลส สังหารธรรมสังหารตัวของผู้ปฏิวัติให้ร่วมโจมคิ์หายไปด้วยแบบไม่ไม่เอาไหนนะ่นะคุณยัง่ายๆนี่จะทำยังไงพวกเราแล้วเวลามาก็มามากมาอย่างนี้ก็เคยประกาศลัางกันอยู่นี่มันเท่าไหร่แล้วตั้งห้าสิบกว่าัม น, ม, นมันไม่ใช่ข้องไม่ใช่อื่นพอที่จะมาบรรจุเป็นปลากระป๋องอยู่ในกระป๋องก็ควรขยับขยายาที่จะให้พูดแรมากมานักหนา มากแล้วมันเป็นยังไงมันเหลวๆ ห, หลายๆอย่างมันน่าดูไหมลนะ่ะดูสิเป็นยังไงการอบรมสั่งสอนก็สงสอนเต็มพูมิแล้วไม่มีอะไรที่เหลืออยู่แล้วในการสั่งสอนมูเพื่อนหากจะยืดไปเป็นข้อปฏิบัติกําจัดสิ่งที่เป็นภยยัยยตัวเองเราก็ไม่สงสัยว่าอุบายที่นําไปนั้นผิดไปเพราะการสอนไม่ได้สงสัยว่า ได้สอนผิดไปจากหลักธรรมและจากหลักผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติได้รู้เห็นมามันควรจะได้แล้วนี่นี่ยังห น, นาแ น, น่นตวนตวนแล้วสิ่งใดที่มันแสดงหูแสดงตามันเต็มอยู่เสมอเป็นอยู่เสมอมีอยู่เสมออันนี้ที่ทำให้วิตกจั์เียวก็เรื่องหมู่เพื่อน ของไม่ละเอียดเลยของยับหยาบมันก็ได้พูดได้ว่ากันอยู่เพราะจิตไม่จดจอ่อจิตไม่จริงไม่จังฟังก็ฟังแบบผิวผิวเผลินเพินสับแต่ว่าฟังอเวลาปฏิบัติมันก็เป็นไปตามนิสัยที่เลี้วเลีวหลายๆนั่นแหละให้เห็นความเลียวไหลไหลแสดงออกไปทําอะไรมันก็เห็นความไหลไหลของการทําำ ด, ดีดีปิดไม่อยู่ทําให้เห็นอยู่อย่างนั้นแหละอือย่างที่พูดเมื่อสองทุ่มวันนี่ย แล้วบอกให้ก็เอากระถนใบเล็กติดรถไปด้วยนะฟังเสียงครับเก็ด้วยนะออืแล้วพขาก็ออกไปนั้นกับคนบูกระถนไปเป็นใบใหญ่นี่ฟังสิมันเป็นยังไงอปิดประตูรถให้ออกไปก็พอเก้าอวอไปนี้ก็ต้องได้ปิดใหม่คนคนเก่านั่นแหละพระองค์เก่าเนี่ยแล้ววันหลังปิดประตูให้อีกออกไปอีกก็ต้องไปปิดใหม่อีกพระองค์เก่านั่นแหละ นี่ทำให้ผมคิดมากแล้วนะเวลานี้พระองค์เก่ามันถึงสามวาระแล้ ว, ลวเป็นยังไงควรจะอยู่วัดนี้เหรอมันจริงจังอะไรอย่างนั้นพูดเล่าพูดทุกสิ่งทุกอย่างเราพูดด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจงใจเกี่ยวกับเรื่องเป็นอาจารย์สอนหมู่เพื่อ น, น, นเองยังพูดตรงไหนจับไวต้ตรงนั้นตรงนั้นเพื่อเอาความสัตย์ความจริงกับหมู่กับเพื่อนมาเป็นยังไงผู้มาศึกษาอบรม มาด้วยเลื่อนลอยดังๆๆที่เป็นอยู่ที่ประกาศอยู่เวลานี้หรือมาอย่างไงมันเห็นแล้วนะนี่มันรู้แล้วนี่เป็นยังไงไม่มีอะไรจริงๆจังเลยแค่นิดเดียวมีแต่ความเลวๆใหญ่ๆมีสามวาระแล้วนี้แสดงว่าจิตนี่เลื่อนลอยออกมากทีเดียวหาที่เกาะที่นั่นไม่ได้คําพูดหลวงปู่าอาจารย์ที่เรามาเพื่อการศึกษาลมมันน่าจะเป็นเหตุเป็นผลเป็นที่ชดุดใจ แต่นี่ไม่เนะ่ะถ้าสะดุดใจทำไมที่มันถึงจะจับผิดไปก็ถนเล็กกับกระถนใหญ่มันต่างกันยังไงถ้ามันไม่มีก็บอกว่าไม่มีแต่นี่กระถนมันก็มีเนี่ยจะหาข้อแก้ตัวก็หาแก้ไม่ได้เอาปิดประตูรถแล้เป็นยังไงมันถึงปิดไม่สนิทเนี่ยต้องปิดใหม่อีกปิดอีกบ้านหลังเปิดปิดอีกไปปิดไปเปิดใหม่อีกแล้วปิดปิดใหม่อีกนี่มันเป็นยังไงนี่แสดงว่าความไม่สังเกต ไม่พิจิตพิจารณาไม่เจาะจงยึดกับสติไม่อยู่ด้วยกันเลยมันเร็วหลายอย่างนี้จะวางไงนี่นนล่าหนึ่งยกลาขึ้นมาล่าหนึ่งแล้วเป็นยังไงในวัดนี้มีกี่องค์แล้วเป็นยังไงบ้างจะพากันคิดหรือหรือหรือเปล่าล่ะนี่มันเป็นเรื่องของกิเลืหรือเรื่องของธรรมเรื่องของสติของปัญญาหรือเป็นเรื่องของกิเลือเรื่องเลวๆหลายๆที่เคยเป็นมาแล้วนั้นนั้นน่าคิดอยู่มากนะอันนี้ ทำให้อดทิดนไม่ได้แล้วนี่ผู้แนะนำจัสอนหมู่พวนเป็นผู้น้อยล้วก็เคยเป็นไม่ใช่มาเป็นผู้ใหญ่เอาแค่ทีเดียวนี้เป็นผู้น้อยก็เคยเป็นครูบาอาจารย์พูดอะไรนี่มันเป็นยังไงเนี่ยจึงมาเทียบกันเวลานี้นะถ้าเ่าว้แล้ไม่เคยเป็นผู้น้อยเราไม่เคยศึกษากับครูบาอาจารย์มาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนี่เราก็เคยศึกษามาท่านพูดในแง่ไหนอันไหอันไหนมั น, นควรจะเป็นคติตัวอย่างอะไรบ้าง เหลือกำพูดที่พูดเหล่านี้มันไม่มีสาระอะไรเลยเหลือก็หมู่กับเพื่อนมันถึงไม่เป็นที่ให้สนใจพอที่จะยืดไปพุพ่งพุ่งปฏิบตัติให้เป็นสาระคุณจาตนบ้างนั่นเป็นอะไรนี่กุดเข้ามาด้วนเข้ามานะเวลานี้พระกรรมฐานโอ้ทุเรศเลยนะในวัดหนึ่งๆจะไมมีทางยังกรมมีแต่การก่อการสร้างยุ่งไปหมด อันนี้เป็นเรื่องของโลกเขาเรื่องการก่อการสร้างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมดูที่ทำตำหักตําลาสําหรับพระเราไปสร้างอะไรหาอะไรมันอยู่ที่ไหนมีตำหลักตำลาบอกว่าอย่างชัดเจนไม่ใช่เรื่องเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาดูป่านั้นเขาลูกนี้มีแต่อย่างนั้นานั้นเหมัอนตาตากันอยู่นี่จีวัาเนี่ยเอาอุตรีมาอุตรีมาพูดได้ยังไงก็มันตาตาอยู่นี่ยเห็นอยู่ในตำหรับตําลารู้อยู่เนี่ยเอา สิ่งที่รู้ที่เห็นที่ได้เรียนมานี้มาพูดให้หมู่บ้านฟังโอ้โ oh, ห oh, ไปตรงไหนเนี่ยตำแหน่งตนามีการก่อการสร้างเอาเป็นคู่แข่งของาศาสนธรรมมีที่ตรงไหนไม่เห็นหมีโดยเฉพาะท่านแสดงไว้บ้างก็มีที่นาวิสาขาสร้างวิหารหรือสร้างสระใหญ่ที่ว่าใหญ่นั้นก็ใหญ่ขนาดไหนไม่รู้แล้วให้พระโมคขันลาภเป็นผู้บัญชางานเป็นผู้ดูแลในงานนั้นนี้พระโมกคันลาภท่านก็เป็นพระทหารตั้งสิ เรยังไม่เห็นมีที่ไหนเห็นแต่อยู่ในเขานั้นในป่านี้เดินโยงกรมนั่ง น, นั่งสมาธินี่เป็นอย่างนั้น่ะอเห็นเอาอะไรมาแข่งตลาดเขามาแข่งโลกเขาสร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งไปหมดเวลานี้พาเรามีแต่อย่างนั้นนะอยู่เฉยไม่ได้ต้องไปหาเกาในที่ไม่คันทํานั่นปอกแปลกๆในวันนี่อย่ามายุ่งนะถ้าไม่อยากอยู่ให้หนีไล่หนีเลยอย่าเอามายุ่งเอามาเกี่ยวข้องอย่ามาเป็นข้าสึกกัน เราไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้วิเศษวิโสลายไม้มันวิเศษลายไม้อิฐปูนหินทรายมันวิเศษวิโสลายมันเกิดอยู่แผ่นดินอยู่นี่มันวิเศษวิโสเลยทำตั้งหากมัวิเศษพู้รู้จักตรัสรู้ทำไม่ได้ตรัสรู้หินทรายปูนว่าเป็นของวิเศษไม่ได้ยกขึ้นว่าหินปูนทรายสนังกระฉามมีนิ่นักแล้วทําไมเรามันถึงได้นับถือนักหนามันจึงสนใจนักหนามันดิ้นบ้าอนักหนานี่ไอนที่ไหนมีได้ยุ่งไงหมดกวนบ้านวนบ้านกวนเมืองยุ่งเหยิงวุ่นวาย มองเห็นหน้าญาติหน้าโยมไม่ได้คอยแตจะเอาห้าเอาสิบกับเขากวนบ้านกวนเมืองมันเป็นยังไงอย่างนั้นนี่นะถ้ามันถ้ามันดิ้นแล้วมันเป็นอย่างงั้นนะหาความสงบสิทํายังไงกิดตัวไหนมันดิ้นอยู่หรืวเนี่ยถ้าไม่ใช่กิตจะอัไหนคนตายแล้วมันดิ้นที่ไหนจิตตัวนี้แ่ะตัวมันดิ้นย่านีน้ดูตัวมันดิ้นนั่นสิมันจะดิ้นที่ไหน ตั้งหน้าตั้งตาดูมันต่างหน้าตั้งตาพิจารณาตั้งหน้าตั้งตาฆ่ามันยุติเวลามันจะไปไหนกิเลสกิเลสเป็นของที่ฆ่าได้ทำลายได้ในงั้นพรุทธเจ้าไม่สอนให้ทำลายกิเลสให้ฆ่ากิเลสนี่มันไม่สนใจนี่พราะเป็นแก่ลำคาลําคาลมันแก้ลำคาญแล้วมันเพิ่มลำคาญอันเนี้อยู่ที่ไหนมีแต่เรื่องการก่อการสร้างทำนั่นทำนี้ปุ๊กปุ๊กปิ๊กป๊กอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยเป็นบ้าไปหมดเนี่ยจะทำยังไงเราพูดจริงๆ เราไม่เห็นสาละอะไรกับสิ่งเหล่านี้เลยขอให้จิตมันสง่ผ่าเผยอยู่ในหัวใจเจ้าของเถิถ้าพูดถึงสมาธิก็สงบแน่วเอาถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิขั้นใดกัได้สรงไว้ส่งไว้ที่จะเป็นยังไงมันต่างกันไหมกับอิดพูนหินทรายนี่นะ่ะสมาธิความสงบใจมันต่างกันไหนกับอิดพูนกับหินกับทรายเหล่านี้ปัญญาเป็นยังไงต่างกันไหนกับสิ่งเหล่านี้จะตอดตลอดถึงมิมุติหลุดพ้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างแท้จริงเนี่ย มันต่างกันไหนครับสิมุเนี้พระพุทธเจ้าเลิศด้วยอันใดสาวกเลิศด้วยอันใดทำที่ว่าที่ว่าทำทำมันอิดปูนหินท้ายหรือทำกราบอันนี้เหรือให้สั่งให้โลกกราบนี่หรือทำบางสัญญกระฉามนี่คือเห็นคือสายให้กราบตรงนี้เหรือมันทำไมมันถึดิ้นโดนนั่งหนาท่าเรานี่ยนับบันปัณนานเวลาเนี่ยข้าอยู่ที่ไหนย่อมตั้งแต่หลังการก่อการสร้างไม่ได้สนใจกับเดินจนกลมนั่งสมาธิภาวนาที่จะข่ากิเลสตัวมันคึกมันขนองตัวมันดิ้นโดนเป็นหมาขี่เลืออยู่ภายในหัวใจนั้นบ้างเลย แล้วจะทํายังไงนี่มันจะหมดในในศาสนาอืมีมีแต่ในกัมภีมีแต่ในตู้ในหีบเฉยในหัวใจของพระของเนรผู้ปฏิบัติเรามันไม่มีนะเวลาเนี้ยมันมีแต่ความดิ้นไหวเนี่ยดีน่าสิเดี๋ยวนี้ได้ฟังกันแล้วยังอ่ะที่พูดอ่ะเนี่ยเรียพูดเล่นหรือนี่มันมีเศษพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยความสนใจอยู่ในจุดใดเวลาเนี้ยอยู่ในปูนในอิฐในหินในทรายในไม้ในตอกอะไรไปอย่างนั้นเหรือ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 มันหมดลมปากไปว่าเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรอยู่คนเดียวไม่ได้พูดนันแสนสบายนะเราจะหวังออะไรอา้าวลองดูสิหมูเพื่อนไปแล้วเราจะเป็นยังไงเราจะมีที่พึ่งใหม่เราจะอยู่ได้ไหมนี่นาสิอูด้วยกันนั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยมีแต่เรื่องยุ่งเรื่อ ง, อ ง, อ ง, องอยุงย่งนั่อง น, น, นี้อยู่ตลอดเวลาไม่มองดนูหัวใจเจ้าของบ้างเลยสอนอะไรก็ไม่สนใจนี่แล้วออกจากนี้ก็แสดงร่วดลายเท่านั้นเนี่ยอพอไปจะไปเริ่มสร้างไปอยู่ที่ไหนแล้วเอาแล้วนะ ขึ้นหอภาษาราชุมชนเทียนไปแล้วนะ่แข่งบ้านแข่งเมืองเขานั่นเป็นนักแข่งไปแล้วนะแล้วกวนบ้านกวนเมืองไปในกาลเดียวกันด้วยแหมมันนัดเพลิดนะไม่เห็นคุณค่าของธรรมที่ท่านสอนไว้เพื่อความเลิศโลกเลิศในหัวใจนี้บ้างเลยจะทําไงเอาลูกนี่เพียงสมาธิเฉยก็พอพออยู่พอกินพอเป็นพอไปสงบสบายไม่ดิน้นไม่หล่นเลยเคยเป็นมาแล้วนี่นะ่ะไม่ใช่พูดเฉยเฉยนี่ แล้วไม่ได้อวดใครนี่เป็นมาแล้วนี่อ๋อจะันสมาธิสักกี่ชั่วโมงก็ได้นี่แน่วอยู่นั้นนไม่ต้องไม่ไ ม, มีอากัปกิริยาของจิตที่จะคิดไปปรุงไปในเรื่องอะไรเลยนั่นฟังสีนั่นแหละสมาธิที่แนบแน่นที่สุดมิเหลือแต่ความรู้ที่ดิ่งอยู่เท่านั้นไม่มีอะไรอาการอะไรที่ยิย่งแยบแยบมาแม้แสนหิ่งอย่างแบบเสงย่งห้อยก็ไม่มีนั่นแหละเป็ดเดียว่าสมาธิที่แนบเงียบที่สุดอืม จากนั้นมาก็เอาให้ลงให้เต็มที่นี่ร่างกายให้หายเนียบไปหมดเลยนั่นฟั้งสิไม่ได้มาอวดนั้นนีเป็นแล้วนะผมอวดหมู่เพื่อนอยังไงผมสอนหมูเ่เพื่อนเพื่ออะไเพื่อทำแท้ๆทุ่มทุกหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหมู่เพื่อ น, อ, น, อ, น, อ, นอวดหาอะไรนี่ก็ปูนแล้วเป็นยังไงเพียงเท่านี้ก็พออยู่พอกินแล้วเพราะฉะนั้นถึงดะติดติดสมาธิไม่จะออกนันแสนสบายอย่างนั้นไม่ยุ่งอะไรเลยสุดท้ายก็ตึงเขาว่าทำาม ความรู้ที่ดิ่งอยู่อันเดียวเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวพนเลยเหลือความรู้เดียวกันนี้นี่แหละคือจะเป็นนิพพานอันนี้เองอันนี้เอง เ, องเนมันก็ยิ่งติดแน่นออกไปถึงพ่อแม่กุญแจสับเกล็ดแ้วไล่ขนาบออกจากนั้นมันถึงได้ออกแเราไม่ได้ลืมสิ่งเหล่านี้เพราะอันนี่บาร์ารีมันไม่ได้ดีเมื่อมีทำขั้นสูงกว่านี้เข้ามาเปรียบเทียบหรือมาเป็นคู่แข่งกันแล้วยังได้ออกไปก็ อ, ออกไปพราะก้าถึงถึงขั้นปัญญาแล้วอาระนะที่นี่น่ะเอมันก็ย้อนมันไม่พอดีอย่างว่า โอ้สมาธินี่นอนตายเฉยไม่เห็นได้เรื่องเวลาอะไรปัญญาต่างหากเนี่ยทให้เกิดความเฉลียวฉลาดรอบตัวกิเลส ก, กับกิตก็เบาลงเบาลงเบาล ง, าลงแสงสว่างกระจ่างแจ้งที่เกิดขึ้นจากทางด้านปัญญานี้มันผิดกับทางด้านสมาธิเป็นอันไหนนั่นที่นี่นั้นต่างไหมพิจารณาสิมันต่างกับอิจกปูนกับทรายนี่ไหมพิจารณาสิอันนี้ใครๆเขาก็ทําได้โลกเขาก็ทําได้มันมิที่สูอะไรเขามากราพวก พระเนรเหล่านี้เขาม่มากราบเพราะพระเนนมีปูนมีปูนมีอิฐมีทรายมัดติดคออยู่แบกอยู่บนบานะ่ะเขาม า, มากราบด้วยความเป็นผู้แบบเข่งคัดในศีลในสมาธิในปัญญาในวิมุตต์หลุดพ้นในธรรมทั้งหลายต่างหากนี่นะเขาไม่ได้มากราบเพื่ออิฐปูนหินทรายที่มัดติดคอพระอยู่แล้วแล้วทับหัวพระอยู่นี่นะแล้วมาสนใจอะไรตั้งหลาสิ่งอย่างนี้ มันมีเสศษวิโสอะไรเนี่ยพูดนะั้นยังเต็มที่เหล่นานั้นนะี่นะวันนี้พราะพูดมามากต่อมากแล้วได้พิจานาหมดแล้วนั่นนี่นะเอามาเทียบกันเพียงสมาธิมันก็เป็นคนละโลกแล้วอิดปูนหินซ้านี่เทียบกับความสงบผลสมาธิแห่งการบำเพ็ญตัวเองเพียงเท่านั้นมันก็รู้แล้วว่ามันเด่นกว่ากันมากขนาดไหนเลิกก็การขนาดไหนเดี๋ยวจึงเนี่ยออกจากนั้นกขข็ข้าถึงขั้นปัญญาปัญญาเป็นขั้นที่ข้ากิเลสที่นี่เอากิเลสมันมีอยู่ชน้ชนิดไหนมีอยู่ภ า, ายจในจิตใจเท่าไหร่ พังลงไปพังลงไปด้วยอานาจของปัญญายิ่งดิ้นยิ่งดิงดทางด้านปัญญาขึ้นยังขนาดถึงว่าไม่รู้จักเวลาเวลาเ ล, เลยเลยเถิดนะอุทัจจ์ดี่ก็เป็นเป็นมาแล้วนี่นะมันเพลินขนาดนั้นดีฟังสิเป็นตายไม่ได้สนใจอะไรเวลาถึงขั้นมันเพลินไม่มีรู้มีชาติเ้เพลินเพลินได้ยังไงเอาจกนกระทั่งถึงฟ้านม้วนเสือลงหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นยังไงที่นี่นะต่างกันไหมกับสามแดนโลกธาตุนี่ยเอามาเปลี่ยนกันได้ไหม จิตดวงนั้นก็เอาสารเดนรกธาตุนี่มอบถวายหมดทั้งสาเด่นลกธาตุเนี่ยให้เป็นสมบัติของบุคคลผู้เดียวกาบจิตดวงที่บริสุทธิ์ท่านเจ้าอันไหนพิจารณาสิถ้ามันเห็นที่มันสิถึงึงธรรมะพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่สอนอย่างแท้จริงให้เห็นอย่างแท้จริงของวิเศษวิเศษจริงๆนี่นะไม่ใช่มาพูดมาเสียงมาสารปั้นยอ้อยเฉยๆเป็นอยู่ในหัวใจจริงๆใครเป็นก็เป็นเถอะถ้าลงได้เป็นแล้วไม่กาบพุทธเจ้าไม่มีมิจฉาพันไปกี่ปีกี่เดือนนั้นสําคัญอะไรกับเรื่งเรื่องนิพพาน ธาสีดีน้ำนมไฟเป็นเรื่องล่างของพุทธทาต่างหากสลายลงไปได้ทุกการสถานที่ทุกวเวลาทุกสัตว์ทุกบุคคลนั่นแหละสิ่งเหล่านี้แต่ธรรมชาตินั้นเป็นยังไงใครเหมือนไหมนี่สิเอาลงไปสิแล้วเราจะมาหาวิเศษวิสุทธ์อะไรครับสิ่งเหล่านี้พูดแล้วพูดเล่าสอนแล้วสอนเล่าไม่ได้ฟังเสียงกันเลยทําไงแล้วทางจงกรมนี้ไปที่ไหนวัดไหนมันจะไม่มีท่านเดี๋ยวนี้น่ะมิจฉาภาคหากินเลยสิเขาว่าเขานับถือยิ่งกว่าสายหลวงปู่มั่น แค่าดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอยิ่งเหอเป็นบ้านะนี่เออแล้วไปก็ไปกวนบ้านกวนเมืองทุกสิ่งทุกอย่างลืมเนื้อลืมตัวไปหมดว่าเราเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นจะเหาะจะบินไปแล้วทัทง้ทงๆที่ไม่มีปีกนั่นมันเป็นแล้วนะเดี๋ยวนี้นะโหนะทุเล็จริงๆนี่นะนี่หละเรื่องของจิตเด่นมันอยู่ในหัวใจคนมันทําให้เป็นอย่างนี้นะ่ะถ้าทําแล้วไม่ตื่นไม่ลืมตัว เขาติก็ตามเขาชมก็ตามจะนํามาเป็นคติทุกอย่างมาพิพจารณาทุกอย่างความติความชมเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสองอย่างนั่นกิจเป็นธรรมไม่ลืมตัวแต่นี้มันเป็นงั้นที่พอเขายกยอบ้างแล้วเป็นบ้ากันเลยนี่เขากำลังยกย่องเห็นไหมภาคกลางอุตษาหพยายามมานี่ตะกิ้นก็ไปเมื่อเร็วๆนี่ตอนเย็นนี่อุตษาพยายามมาวัดนั่นวัด น, น, ดนี้ทางภาคอีสานเนี่ยภาคอีสามันเป็นบ้าหรือจมูกมันยิ่งกว่า โล่งสีอะไรหรืออะนี่มันพอเขายกยอข้างนั้นนะมันเป็นบ้าลืมเนื้อลืมตัวหมดแล้วหรือภาคยิสานท่านอาจารย์มั่นทํานไม่ได้ลืมตัวนี่นะโรคศิษย์ท่านอาจารย์มั่นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นบ้ากันไปหมดเลยว่าไงถ้าไมไ่สอนให้เป็นบ้านะท่านอาจารย์มั่นนี่แล้วก็อยู่กับท่านมาแต่แต่มที่กาลังความสามารถที่ได้ศึกษาท่านไม่เห็นมีจุดใดเงี้ยใแม้นิดหนึ่งที่จะสอนให้ภาพเป็นบ้านะอย่างนี้มาเป็นบ้าั้าหากทานลงตนว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลวงท่านอาจารย์ โอยเป็นบ้าอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วนะเวลาเนี้ยภาคอีสานเนี่ยล่ะจะว่าไงเราสงสารพวงญาติพวกโยมที่เขามาด้วยความบริสุทธิ์ใจว่เาเห็นว่าชุมบ่าเย็นก็มาไม่ว่าใครล่ะไม่ว่าเขาว่าเราเห็นว่าชุมบ่าเย็นที่ไหนว่าดีที่ไหนก็อยากไปอยากกราบว่าอยากบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอยากทําบุญให้ทานมีอะไรไม่เสียดายเพราะท่านเหล่า น, นี้เป็นผู้เป็นลูกศิษสถากดพุทธบริษัทเสียด้อะไรอยากได้แต่บุญเท่านั้นล่ะ <N> นีิยายเขาเสียน้ำใจสิยายเขาเสียอกเสียใจสิเออให้เขามาให้ได้เขาได้ตักตรงไหนกห็มีแต่น้ำสะอาดสิลงบึงใดบด่อใดวัดใดพระเด่นองใดให้มีงแต่น้ำสะอาดๆให้อาบดื่มใช้สอยเต็มหัวใจกลับไปบ้านรุ่นหลึงมันถึงนั้นมั่งสินี่ไปที่ตรงไหนไหนมีแต่ขี้หมูลาขี้หมาแห้งเต็มไปหมดทั้งบึงทั้งบ่อทั้งที่ตรงไห น, นไม่ว่าพระวันเดนองไหนมันมีงแต่บึงแต่บ่อที่เต็มไปด้วยขี้หมูลาขี้หมาแห้งมันเป็นยังไงพี่นาสิ ไม่อายโลกเขาบ้างหรอือเราเป็นบ้าลูกศิษย์ลงปู่มัน่นลูกศิษย์ลงปู่มัน่นนี่นี่อายนะนี่นะโอ้เนี่ยทุเลต์นะเราอดคิดไม่ได้นะั้นเรื่องเหล่านี้นะมันลืมตัวแล้วลงปู่มั่นโยค่า้ผู้ปฏิบัติท่านปฏิบัติดีนั้นยก่ายแ้วผู้ที่เป็นแบบดินเหนียวติดหัวแล้วว่าตัวมีหงอนนั่นสิเดินเวลานี้มันมา ก, กนะมันลืมเนื้อลืมตัว เราจึงไม่ไม่ได้ยกยอไปหมดนะเอะสิ่งที่หน้าติมันเห็นอยู่นี่มันได้ยินอยู่นี่จะไม่ติได้ไงหูมีตามีที่เคยใช้มาตั้งแต่วันไหนมาจนกระทั่งถึงบัดนี้มันปตอมที่ไหนหูนี่ได้ยินว่าเป็นยังไงภาษาเดียวกันมันทำไมจะไม่รู้เรื่องกันตาเห็นอยู่นี่ทําไมมันจะไม่รู้ผิดรู้ถูกมันหน้าติก็ต้องติมันหน้าชมก็ต้องชมสิเดี๋ยวนี้กรรมฐานทั้งเราต้องภาษานี่มันจะขายขี้หน้าวัแมวคุบอาจารย์นั่นนเนี่ยเอาคูบอาจารไปไปขายกิ่นะนะ ทุเลตจะตายไปทางหน้าทางตาปฏิบัติพื่อกิเลสมันเป็นคุณต่อใครเมื่อไรก็พระพุทธเจ้าองค์ใดเขาตรัสมางั้นพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ท่านสอนที่ตรงไหนว่ากิเลสมีคุณต่อเรานะ่ะมันเยียบย่ำทํำลายหมดยที่พูดเดยวลานี้ก็คือพูดเรื่องกิเลสนั่นเองมันลืมเนื้อลื ม, ลมตัวเป็นลายพัฒนาจากกิเลสถ้าเป็นธรรมนั้วไม่ลืม่ะรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาใครเคารพนับถือก็ พอยินดีไปกับเขาแต่เราไม่ลืมตัวของเรา น, น, นั่นมันจึงเป็นอาจเป็นธรรมผู้ปฏิบัติทางจําดีนะอน้ําบื่อแล้วนะเวลานี้เอื้อมแล้วอาแล้วนะข้าหมู่กับเพื่อนสอนมาเท่าไหร่เกือบสี่สิบปีนะตั้งแต่พ่อแม่กุารย์มั่นมรณาภาพไปเกาะพึบตั้งแต่บัดนั้นเลยนะยังไม่ทั้งบัดนี้ก็จําเป็นก็ต้องได้แนะนําสั่งสอนอยู่นี่จะว่าไงแล้วผลที่ได้สั่งสอนมานั้นเป็นยังไงบ้าง เห็นแต่ความเล็วๆไหลๆห็นดึงผลลบเลี้ยวๆไหลๆไปตลอดเวลาจะให้ไม่ให้พูดได้ยังไงยังดีนี่อยู่กับหมูกับเพื่อนเนี่ยยังพูดกันอยู่อย่างนี้อั่นละพอนึ่